ด้วยความมัน่นมั่นใจไม่ประมาท ร, รักษาสะอาดข่มใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพมนักดีอันห่วงน้ําไม่มีมารังควานคติธรรม จากประเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำขอจเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้มาพบกันก็มีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังที่ขึ้นต้นด้วยคาประพันธ์ ปติธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นเพราะว่าวันนี้อาตมาจะได้นำเสนอธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทในธรรมซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลท่านได้บรรยายไว้เนื่องในโอกาสที่สาธุชนเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่าน มารับฟังธรรมะบรรยายเรื่องความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงซึ่งเป็นธรรมรวบยอดของพระบรมศาสต ร, ร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นถ้ารวบยอดรวมลงมาก็มารวมอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองซึ่ง ปัจจุบันนี้สาธุชนก็จะเห็นว่าคนเราในปัจจุบันเกิดความประมาทมัวเมาหลงในโลกธรรมคือในส่วนของหน้าปรารถนาคือความมีลาบมียศความสรรเสริญและความสุขนี้แหละติดมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้จนลืมไปว่าอายุไขหรือชีวิตของเรานั้นไม่ยืนยาวนักอีกไม่ถึงร้อยปี ก็จะเข้าสู่ความตายแตกดับหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ทางรายการจึงขอนำธรรมะมาให้ข้อคิดแด่ท่านผู้ฟังจึงขอเชิญท่านรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องความไม่ประมาทในธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณพร้อมกันโอกาส ในชีวิตหนึ่งหนึ่งของเราที่จะมาได้ความเป็นมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วอายุขยของเราสั้นเหลือเกิน <c oughs> สั้นเหลือเกินที่จะประกอบคุณความดีสำหรับผู้รู้ผู้เป็นบัณฑิต ผู้ไม่ประมาทความดีที่เราจะทำเนี่ยก็มีทั้งการรักษาศีลการเจริญภาวนาให้เกิดสมาธิและปัญญาและเมื่อปัญญาเราแก่กล้าขึ้นก็สามารถที่จะ รู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่มีสาระประโยชน์แก่นสารน้อยสำหรับชีวิตเราจะรู้แจ้งอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงความรู้แจ้งว่าทุกเป็นอย่างไรอย่างยาบ อย่างละเอียดเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงให้รู้แน่ลงไปละเอียดลงไปแม้แต่บุคคลทั่วไปที่เขาไม่รู้แต่เรารู้เราก็จะได้เพียรปฏิบัติละเหตุแห่งทุกข์นั้นเมื่อละเหตุแห่งทุกข์นั้นได้เพียงไร สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับก็จะมีได้เป็นได้เกิดขึ้นมาได้จริงเพียงนั้นและในขณะเดียวกันเราก็จะรู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อนถาวรเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย มีโอกาสเกิดมาเนี่ยมันน้อยอายุของเราน้อยเหลือเกินที่จะมีโอกาสมาประกอบคุณความดีด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเราประมาทซะแล้วเราเสียโอกาสไปผู้ที่ไม่ประมาทมีน้อยไม่ใช่มีมากมีน้อย เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่ก็นับเป็นกลุ่มหนึ่งที่แม้จะน้นอยก็เป็นกลุ่มที่มีสติปัญญาพอสมควรแล้วก็ไม่ประมาทที่ว่าน้อยนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยทรงแสดงนะ ทรงสแสดงเรื่องของหญิงคนหนึ่งเรื่องของหญิงคนหนึ่งว่าในชั้นดาวาดึงได้มีเทพพระบุตรตนหนึ่งมีนางอักษรเป็นบริวารเยอะห ล, ลายร้อยทีเดียว แล้วก็พากันไปเที่ยวในสวนสวนดอกไม้ขึ้นเก็บเด็ดดอกไม้เป็นดอกไม้ทิพย์ในสวงสวรรค์ประดับประดาหให้กับเทพพระบุทผู้เป็นสามีกำลังสุขสำราญกันอยู่นั่นมีเทพธิดาตนหนึ่งบุญแก่หมดไป แกก็เคลื่อนเคลื่อนจากเทวโลกไอ้ตรงกำลังเก็บดอกไม้นั่นแหละเคลื่อนมาแล้วก็มาเกิดในครอบครัวผู้มีอันจะกินอยู่ในนครสาวัตถีนั่นสมัยพุทธกาลนะเมื่อเธอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มีคุณพิเศษอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือว่าระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก็นึกถึงเออสามีของเราเป็นเทพประบุเราเพิ่งเคลื่อนมาเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เมื่อเจริญวัยขึ้นทําทานกุศลรักษาศีลเป็นศีลกุศลแล้วก็ฟังธรรมเท่าที่สามารถจะทําได้ทําไว้ตลอดเลย แล้วในขณะทาก็อธิษฐานไปว่าขอบุญกุศลที่ทำนี้เมื่อตายแล้วขอให้ได้ขึ้นไปบังเกิดในสำนักคือหม่ขอว่าอยู่ในวิมานของเทพพบุตรนี้อย่างเดิมใจมันตรึกอยู่อย่างนั้นเน่ยทีนี้พอถึงวัยสิบหกขวบแต่งงานแต่งงานแกก็มีลูกถึงสี่คน แต่งานมีลูกถึงสี่คนแต่ใจก็ยังคงรำลึกถึงสามีที่อยู่ในสวงสวรรค์นั่นแหละแต่แกเป็นคนดีเนะ่เป็นคนใจบุญใจกุศลชื่อปฏิภูชิกานั่นแหละเสร็จแล้วพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละก็ไปบินสบาทเป็นประจำแกจะเป็นคนช่วยจัดแจง เรื่องปูอาสนะเรื่องรับพัฒนาหารม า, าถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำและแกก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นั่นแหละโดยบุญนี้ขอให้แกได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในสำนักหรือว่าในวิมานของเทพบุตรคนนั้นทีนี้ไม่ช้าแกตายแกเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนตาย ตายแล้วไปอุบัติในเทวโลกเลยชั้นดาวดึงนั่นแหละก็ไปอุบัติตอนนั้นเป็นยังไงเทพระบุนั่นก็ยังคงอยู่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่กับบรรดาเทพที่ดาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะยังไม่สิ้นวันของของปีทิพย์ของวันทิพย์นนยังไม่สิ้น ยังอยู่เลยยังอยู่ในวันเดียวนั่นแหละฝ่ายเทพระบุกรก็ถามว่านี้เธอไปไหนมาหายไปเมื่อตอนเช้าๆนี่ฉันไม่เห็นเธอเธอหายไปไหนมาบอกฉันไปเกิดมาสิประม้ณไปเกิดที่ไหนคนครสาวัตถีแล้วก็เล่าให้ฟังตามนั้นแล้วก็บอกว่าฉันก็ทำบุญสร้างกุศลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อธิษฐานอยู่เสมอว่าจะบารมเกิด ในสำนักเทพบุตรก็แปลว่าเทพบุตรที่คงจะดีพอสมควรน่นรายนะระญะถึงได้ยังคิดประบัติถึงแล้วก็ถึงก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เป็นประจําแล้วก็เทพบุตรก็ถามว่าไอเมืองมนุษย์นี่มันอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุคนเมืองมนุษย์นี่ประมาณร้อยปีเท่านั้นนะบอโอ้ยอายุน้อย พร้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันปีทิพย์ของชั้นดาวดึงเนี่ยเท่านั้นแหละแต่เทพพระบุตรเทพสิดาในชั้นเทวโลกชั้นนี้มีชีวิตยอยู่ถึงหนึ่งพันปีทิพย์คูณไปกันแล้วกันเป็นโกรธเลยสำหรับปีมนุษย์เทพระบุตรแกก็ถามว่าเออมนุษย์นี่ทำบุญบ้างไหม บอกว่าไอ้ทาก็มีไอ้ไม่ทําก็มีแต่ดูไอ้พวกทําบุญสร้างกุศลนั้นมันน้อยไม่มากหรอกบอกเออเทพบุตรก็อุทานขึ้นมาว่าเออมนุษย์นี่ประมาทหนอไม่รู้จักบําเพ็ญบุญกุศลให้เกิดกับตัวเองมีทานกุศลสีง่งกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเพราะว่า ร้อยปีมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งวันปีทิพในชัน้นอาวพดึงเท่านั้นแหละถ้าสูงขึ้นไปยิ่งนานใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้อ่ะพระภิกษุ ก, ก็ถามหลังจากไป บ, บิณฑบาตวันหลังแล้วไม่เจอนางปฏิปูชิกาก็ถามว่าเออนางนี่ไปไหนก็เลยรู้ว่าตายซะแล้ว สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเธอกลับไปเกิดในสำนักของสามีในชั้นดาวดึงนั้นแล้วแล้วก็ทรงตรัสตรัสถึงความหมกมุ่นในกามของมนุษย์ในโลกเปรียบอุปมาเสมือนหนึ่งว่า มัวแต่เที่ยวเพลินเก็บดอกไม้คือยังเพลิดเพลินในการชื่นชมยินดีติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทนี่เหมือนคนนอนหลับจะตายวันตายคู่ไม่รู้ที่มัจจุราชย่อมทําหน้าที่ได้ทุกเมื่อ เมื่อสบช่องสบโอกาสเพราะฉะนั้นบุคคลพึงหรือผู้รู้พึงทำบุญกุศลที่เป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังว่าเราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ยาก ยากแล้วยังมีชีวิตน้อยและสั้นอย่านึกว่ายาวเมื่อมีโอกาสก็พึงทำบุญสร้างกุศลตามกำลังเลยจะไม่พูดเกลียดกลอมให้ท่านทั้งหลายทำจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นทุกข์ทำตามกำลังตามสบายไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลก็ต้องพยายามรักษา เพราะว่าศีลกุศลนี่นำให้ไปประเสริฐยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นความประพฤติปฏิบัติของเราดีขึ้นจิตใจของเราก็สูงขึ้นปัญญารู้แจ้งของเราก็เกิดมากขึ้นการรักษาศีลที่ละเอียดอ่อนก็ทำได้ดีขึ้นจิตใจจะอบรมเป็นสมาธิก็ดีขึ้น ปัญญาก็ดีขึ้นตามสมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วอบรมไปทำไมพากันมานั่งหลับตาบางคนบอกหลับตาแล้วเข้า ว, วัดแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันยังเป็นอย่างเก่าเคยขี้โทสะขี้โกรธเจ้าอารมณ์อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นบางคนชอบ ราคะหรือมกมุ่นในกา ร, รมคุณมีความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายอย่างไรมันก็เป็นเท่าเก่าไม่เห็นมันหายไป<ม>ไอ้นีแ่แปลว่าปฏิบัติธรรมะผิดเน่ยผิดวิธีหรือถูกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ ยังให้ผลไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติมารักษาศีลนี่ให้จำไว้เพื่อสงบระงับความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาที่เป็นโทษแก่ตัวเองแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยอย่างน้อยห้าข้อรักษาเขาไว้จะได้ไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนแม้ตัวเราเองด้วย หข้อไม่พอนะขยายออกไปอีกนะขยายออกไปอีกอย่างเช่นทางกายไม่แต่เพียงว่างดเว้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมให้แถมไปอีกอบายมุกติดการพ น, นันติดสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นโทษทั้งสิ้นนี่ฝ่ายกายฝ่ายวาจาไม่แต่เพียงโกหกกบฏคดโกงหลอกลวงเท่านั้นแต่กินความไปถึงยุให้รำําให้รัวกินความไปถึงพูดคำหยาบกินความไปถึงการพูดเหลวไหลไรสาระไอ้ข้อนี้คนไม่ค่อยคิดนะไม่นึกว่าเป็นการผิดศีล น, นะ มันรวมอยู่ในข้อมุสานี่แหละแต่ว่ามันกระจายขยายความออกเป็นวจีทุจริตเป็นอากุศลกรรมบทั้นมีโทษถึงอบายภูมิเนแม้เพียงพูดจาเพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องไม่มีแกนมีสารชอบคุยกันนักนะบางทีอาตมาแปลกเห็นน่บางทีก็ จับ ก, กลุ่มคุยกันคุยกันอยู่นั่นะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องไรสาระนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าติระชานกะถาติระฉานก็คือสัตว์เดราฉานกะาก็คือวาจาหรือคำพูดไม่พึงพูดไม่พึงทำโดยไม่จำเป็นแต่ถ้ามันจำเป็นคุยกันเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปเถอะไม่เป็นไร แต่ว่าไอ้พูดกันจนไปๆก็ น, นั่งมองหน้ากันหนักๆก็หาเรื่องมาคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไราสาระทั้งเพพูดไปเหนื่อยเปล่าๆนั่งใจสงบยังดีกว่านี่แม้ว่าจะทุจริตมันกินความถึงอย่างนั้นนแล้วก็ยุให้รมตามให้รัวบางคนไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็พูดคำหยาบเหล่านี้นาไปสู่อบายภูมิทั้งสิ้น ถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ดีรักษาศีลเนี่ยแหละศีลห้าอย่างน้อยแล้วขยายความออกไปเป็นศีลศีล ส, สิบแต่สิบข้อนี้อาตมาหมายถึงอกุศลกรรมบทสิบขยายความออกไปสิบแล้วยังขยายต่อไปอีกเป็นสิบเอสบสองได้อย่างเช่นเมื่อกี้กายทุจริตเนี่ยขยายออกไปเป็นเพิ่มออกไปเป็นไม่ติดอยู่ในอบายามุก เช่นติดเที่ยวกลางคืนติดการพนันการพนันนี่ทุกนักเช่แต่ถ้ใครติดเลยุ่งเลยจะถอนไม่ออกได้ก็ดีใจยามใจเอาใหม่อยากจะรวยเยอะๆทําไม่ได้ก็เสียใจขอลองอีกทีหนักๆเข้าวก็เที่ยวไปไหนตอนไหนไม่รู้ล่ะขอหวยกันให้ทั่วไปหมดนักๆเข้าวได้ยินอะไรมันเป็นหวยไปหมด บางคนก็ไปทั่วแหละได้ยินเสียงอะไรก็เป็นหวยเสียงมงคลเสียงไม่เป็นมงคลอับะมงคลยังเอา ม, มาตีเป็นหวยเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนจริงๆตั้งใจรรมหากินอย่างเดียวรู้จักใช้หลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญรุ่งเรือง ในปัจจุบันทำได้ทำยังไงขยันบันเพียงในหน้าที่การงานรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ทำให้มันเจริญงอกงามอย่าให้มันเสียไปเพราะการพนันแล้วก็รู้จักคบมิตรคบเพื่อนที่ดีแล้วก็รู้จักใช้สอยทรัพย์ให้เหมาะสมการายได้ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วไม่เป็นทุกข์หรอกไม่มีทุกข์แล้วก็สร้างประโยชน์อนาคตไว้ด้วยประโยชน์อนาคตเป็นยังไงประโยชน์อนาคตก็ทําไปแล้วมีผลเป็นบุญเป็นกุศลส่งให้เรานี่เจริญรุ่งเรืองได้ทําอะไรจาฆ่าเสียสละสิกําลังกายสติปัญญาความสามารถกําลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเองด้วยอบรมจิตใจเองด้วยแล้วก็สั่งสอนแนะนําผู้อื่นด้วยบํารุงเข้าไปแต่ไม่ใช่บํารุงเข้าไปจนท่านอ้วนปีนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยบำรุงมาถึงบำรุงส่วนรวมของสงฆ์นั่นเนะี่หรือกิจกรรมที่ท่านทำบํารุงอันนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ผลดีนจิจักะ แล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีลดังที่กล่าวแล้วเพราะศีลนี่ถ้าเราประพฤติผิดศีลแล้วก็เป็นการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วมีผลมาทำลายล้างทั้งคุณความดีของเราด้วยและก็ทำลายล้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติของเรานอกจากนั้นพึงเป็นผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบ สติปัญญาเห็นชอบมีปัญญาอย่าอะไรอะไรก็ไม่รู้เรื่องทําไปส่งเดชไม่ได้จะคิดจะพูดจะทําต้องใช้สติสัมปชัญญะว่าเออนี่มันทางทางเจริญหรือทางเสื่อมทางดีหรือทางชั่วถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต้องคิดมันอาจจะพลาดพลางไปตั้งตัวใหม่บ่อยๆเข้านั่นแหะคือสติเหมือนท่านมาปฏิบัติภาวนาธรรมทั้งหลาย ปฏิบัติไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมว่าเราคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีไปอย่างนี้มันเป็นผลดีหรือเป็นผลไม่ดีแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นบ้างถ้ามันไม่ดีเราก็อย่าทำแต่ว่าคนเรามันมักจะขาดสติสัมปชัญญะทำไมมันถึงขาดเพราะขาดการอบรมสมาธิจิตใจมันรวมไม่ได้ เพราะฉะนั้นสมาธินี่ทำไปเพื่อให้มีสติให้มีสัมชัชญะคือสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ฉับพลันทันทีหรือในระยะเวลาอันไม่นานนักพอที่เราจะตั้งตัวได้คิดได้ว่าเอออะไรมันผิดอะไรมันถูกสาธุชนก็ได้รับฟังคติธรรมจากประเดศประคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งมาให้ข้อคิดหลักธรรมแนวคำสอนในเรื่องความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงซึ่งข้อธรรมที่หลวงพ่อท่านยกมานั้นก็ไปพ้องกับพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นหนทาง แห่งความไม่ตายเพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วสัพพมงคลหรือสิ่งที่เป็นสาระทั้งปวงย่อมจะเกิดแล ะ, จะเจริญขึ้นในตัวของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมข้อความไม่ประมาทนั้นวันนี้ทางรายการก็ได้นำสารธรรมในส่วนของธรรมบัญญายมาฝากท่านผู้ฟัง เรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าเห็นว่าทุกวันนี้คนเรานั้นหลงมัวเมาอยู่ในลาบยศสักการะสันเสริญสุขยินดีพอใจอยู่ในส่วนที่เป็นอิทธารมณ์แต่พอบางทีเกิดในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาที่เรียกว่าอนิธารมณ์มีความทุกข์ความนินทาความเสื่อมลาบเสื่อมยศเหล่านี้เกิดขึ้นก็เกิดความทุกข และโทมนัะใจไม่รู้จักวิธีปฏิบัติในโลกธรรมตั้งอยู่ในความประมาทจึงเกิดมีความดีใจบ้างเสียใจบ้างตามอํานาจของกิเลสที่ชักนําไปถ้าเราตั้งอยู่ในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความไม่ประมาทแล้วโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นจะไม่สามารถชักลากหรือชักนําเราไปสู่ความยินดีเย็นร้าย เหล่านั้นได้รู้จักวิธีปฏิบัติในโลกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะละโลกธรรมนั้นไปได้แต่ให้รู้จักปฏิบัติพอประมาณในโลกธรรมเมื่อส่วนที่น่ายินดีเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มั่นคงถาวนักเราจะได้ไม่หลงเพลิดเพลิน ในความสุขความสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดประสบในส่วนของอนิธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็จะได้ไม่หลงเกลียดชังหรือโทมนัดใจในส่วนของโลกธรรมในส่วนของไม่น่าปรารถนานั้นถ้าทำได้เช่นนี้เราก็จะอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนของตน วันนี้ทางรายการก็นำสารธรรมในส่วนนี้มาฝากท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญสัพพะมงคลทั้งปวงจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเถินเจริญพร